ตอนสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นวันที่7มีนาคม2558ก็ขอการาบน้ำสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณม่ชีกาลยมิตรทุกคนก็เป็นปกตินะทุกคืนบันเสาร์แต่บางบันเสาร์ก็ไม่ได้พูดนั่งสบายๆเนาะก็วันนี้พอกูก็ไม่ต้องหาอารมณ์ใหม่นะ มีคำถามบางคำถามแต่ก่อนจะถึงคำถามนั้นมียติธรรม ท, ที่แบ่งปันประสบการณ์นะวันนั้นที่พ่อครูว่าจะอ่านให้ฟังแล้วก็ไม่มีเวลาหัวข้อคือเกิดใหม่ ที่พาานคอยวันที่14กกราคม2557เวลา 6.10 นถึง 6.25 นก็เป็นเวลา15นาทีนะณศูนย์ปฏิบัติธรรมพาานคอยจังหวัดอุบลเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตของหมอสายันไปตลอดการ ในขณะที่กําลังปฏิบัติธรรมทำสมาธิเวียงจิตเข้าถึงจิตในระดับลึกจนล้มตัวนอนกลิ้งไปกับพื้นในระหว่างที่กลิ้งไปกลิ้งมากับพื้นเป็นเวลาประมาณสองนาทีทุกอย่างดำมืดมิดไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างว่างเปล่าหลังจากกลิ้งจนหมดแรง ก็นอนแผ่ไปกับพื้นในลักษณะนอนหงายกางแขนกางขาภาพต่อเนื่องที่พลิกชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกับการดูหนังภาพยนตร์ที่มีความชัดเจนเป็นภาพในอดีตที่ย้อนหลังไปที่เหตุการณ์ที่เป็นจุดตั้งต้นของการป่วยหนัก จนต้องพ่าตัดคอถึงสองครั้งคือภาพหมอสายันที่ขณะกำลังวิ่งไปไปกับพี่เล็กห้องยาผ่านหน้าอาคารอั ญ, ญมณีซึ่งระหว่างวิ่งก็มีเสียงป๊อบที่คอเจ็บเปียบทันที แล้วจากวันนั้นชีวิตหมอสายันก็เปลี่ยนจากสถานะนักฟุตบอลเป็นผู้ป่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาพของเหตุการณ์พลิกชีวิตที่ดำเนินการต่อหลังจากเสียงก๊อบเกิดขึ้นที่คอก็มีชายใส่ชุดขาวมารับไปแล้วกายกับจิตก็แยกภาพออกจากกัน หมอสายันมองเห็นตัวเองในบทบาทของคนดูคล้ายคนดูหนังที่ภาพยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดเห็นตัวเองนอนแผ่กับพื้นแล้วก็ตามด้วยบรรยากาศงานศพที่ดูโศกเศร้าคนมาร่วมงานล้วนหน้าตาคุ้นเคยแล้วก็มาถึงภาพ ของของคนตายที่ทำให้หมดให้หมอสายันต้องร้องอย่างดังสุดเสียงเมื่อเห็นภาพของตัวเองที่ใส่ชุดขาวสายสะพายสีแดงเป็นรูปของคนตายในงานศพภาพยังดำเนินต่อไปมีการวางดอกไม้จันทร์ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ญาติมิตร แล้วเสียงร้องของหมอสายันก็ดังยิ่งขึ้นเมื่อภาพของการประชุมเพลิงมาถึงเสียงร้องที่พยายามจะบอกคนว่ายังไม่ตายนะเวย้ยอย่าพึ่งเผาความพยายามที่จะขยับแขนขาตัวเองไม่ได้ผลเลยเร็วเพลิงเริ่มไหม้เสื้อผ้าก้ามเนื้อแขนขาก้ามเนื้อ าลูกตาหายไปจนเหลือแต่กระดูกเป็นความรู้สึกที่ร้อนเหมือนคนถูกเผาปะปนไปกับภาพของคนร้องไห้ละงมในงานภาพยังดำเนินต่อไปเมื่อต้องยืนมองครอบครัวญาติมิตรมาเก็บกระดูกของตัวเองเก็บศพกระดูก กระโลของตัวเองเวลาผ่านไปประมาณสิบห้านาทีก็ร่ำเริ่มรู้สึกตัวและมึนงงเนื่องจากต้องเข้าสู่ช่วงของการปฏิบัติธรรมที่เป็นการไล่รำเคลื่อนไหวอย่างอิสระขณะที่ไล่ลำก็ร้องไห้ตลอดเวลาเกิดคำถามว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราคือใคร ชื่ออะไรเกิดคำถามไปหมดแม้กระทั่งเราจะเดินอย่างไรเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่จึงถือว่าวันที่ส4บสี่กรกฎาคมห้าเจ็ดเป็นวันตายของชีวิตเก่าและเป็นวันเกิดของชีวิตใหม่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบชีวิตใหม่ ประสบการณ์ส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พระลานคอยของนายแพทย์สายันเหลืองกิตกุลวันที่14กรกฎายน2557ก็คุณหมอก็มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งกลับนะก็ต่อไปนี้ใครมีอะไรที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะก็เขียนมาเมื่อกี้พวกครูพูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันไอ้ข้อมูลนี้ก็ไปทั่วโลกเนาะ เป็นเป็นการแบ่งปันแต่ฟังก็สัตว์แต่ว่าได้ยินสัตว์แต่ว่าได้เห็นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสอารมณ์นั้นเองเราจะไม่มีวันเข้าใจนะถึงแม้ครูบาอาจารย์จะพูดเรามีศรัทธาเป็นเบื้องต้นเราเปิดจิตยอมรับเราก็แค่เข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะก็ดีที่สุดคือปฏิบัติแล้วก็เมื่อเราได้รับประสบการณ์อะไรก็มาแชร์กันนะ ก็เพื่อต้องการทำเวลาหน่อยหนึ่งจะไปได้มีเวลาปฏิบัตินะมีผู้รู้พูดว่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆางจะสำเร็จได้อย่างไรความคิดแบบนี้จะขัดแย้งกับทางสายกลางของพระพุทธศาสนาหรือไม่อันนี้พวกกูเคยประสบนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยไปสำนักหนึ่ง เขาก็พูดแบบนี้เขาบอกทำอะไรครึ่งขึ้นกลางๆจะสั้นเป็ดทางสายกลางเขาไม่ยอมรับนะเพราะเขาเข้าใจคำทำสายกลางว่าครึ่งๆร่กลางกลางจริงๆแล้วเนี่ยทางสายกลางไม่ได้แปลว่าครึ่งๆกลางๆแต่เป็นความตั้งมั่นอย่างยิ่งต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายแต่ทำแค่พอดีนะไม่น้อยไปไม่มากไปพอประมาณพอเหมาะพอดีกับ กำลังที่มีอยู่นี่คือทางสายกลางไม่ได้แปลว่าครึ่งคึ่งกลางๆหรือดีดีครึ่งหนึ่งชั่วครึ่งหนึ่งเหมือนเหมือนนักกินเหล้านะวันหนึ่งเขากินเบียร์สิบขวดใช่ไหมพอเขามาฟังทำแล้วเขาบอกว่าเขาลดไปครึ่งหนึ่งเขากินห้าขวดนะคำว่าทางสายกลางในที่นี้ไม่ใช่ทําดีครึ่งหนึ่งทําชั่วครึ่งหนึ่งนะต้องไม่ทําชั่วเลยทําดีสถานเดียวแต่ทําดีทําแค่พอดี ถ้าติดดีเมื่อไหร่เนี่ยมันสุดตรงนะออก็มีหลายคนที่เขาทํามาหากินอยู่นะเขาเห็นญาติธรรมบางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยวางชีวิตทางโลกเลยมาอยู่ศูนย์พลรานคอยลุยอย่างเดียวเขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยไม่สุดตรงไปเหลอนะออความหมายของเขาคือว่าชีวิตเราต้องดําอยู่แบบที่เขาคุ้นเคยเออต้องต่อสู้ตามตรงนั้นแล้วก็แบ่งปันเวลามาปฏิบัติบ้างแล้วคนที่พูดแบบนี้ก็ดึงแบบชักเขย แล้วสุดท้ายก็ถูกทางโลกกืนไปหมดนะสายกลางไม่มีสูตรสำเร็จว่าเป็นแบบไหนหนึ่งสองสามสี่ห้านะกลางของแต่ละคนในเวลานั้นน่ะสถานภาพไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาภาระหน้าที่มันไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าแบบไหนมันพอดีกับเรานะผู้เจ้าก็ตัดเรื่องนี้ว่าบัมพชิตไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วน ระหว่างถูกกับผิดดีกับชั่วข้างนอกข้างในนะในโลกนี้มันมีของคู่มันมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีผู้หญิงมีผู้ชายมีร้อนมีเย็นนะพระองค์ไป็นตัดสลูของคู่ถ้าเกิดเราไม่ระวังเราไปสุดตรงระวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราจะทุกข์แน่ๆนะคือไปยึดติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคือเราไม่ปฏิเสธชั่ว เขาทำความชั่วก็เป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราไปติดดีเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะไปฆ่าโทษเขาเราก็สร้างวจีกรรมนะเราไปติดดีก็เราชั่วร้ายอย่างยิ่งนะเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นของคู่ดีชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขานะเรารู้ว่าเขาทำชั่วเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็อย่าไปทำเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราไปติดดีปุ๊บเราไปด่าเขาว่าชั่วเนี่ยเราเป็นคนชั่วร้ายอย่างยิ่งเพราะเรากาลังสร้างวจีกรรม เขาก็เกลียดเรานะก็คำว่าทางสายกลางเนี่ยไม่ได้แปลว่าครึ่งๆึ่กลางๆและไอ้สายที่พ่อครูบอกนะสิบกว่าปีก่อนพรอครูไปเจอนะเขาก็พูดอย่างนี้แล้วอุดมการของเขาบอกว่ากินน้อยใชย้น้อยทำงานเยอะๆฟังในทางล่วงเหมือนมันใช่นะเหมือนมันใช่แต่พ่อครูบอกมันไม่ใช่กินน้อยใชย้น้อยนี่ขี้เหนียวมันไปสุดตรงในทางมันมีขี้นะ ถ้ามีขี้พวกก็คือสิ่งปฏิกูลนะทำงานมากเพราะอยากได้เยอะแม้กระทั่งทำงานเยอะเพื่อจะเอาไปทำบุญก็ช่างอันนี้ขี้โลภมันสุดโตถ้าเราทำกินน้อยเราจะพลังที่ไหนไปทำงานเยอะมันไม่สมดุลมันไม่พอดีนะไม่ใช่สอนให้ฟุงเฟอ้อฟุง่งเฟยนะนะกินพอดีใช้พอดี ทำพอดีนะทำพอดีตอนนี้ความโลภเราเนี่ยเราทํามากเพราะว่าเราอยากได้เยอะอยากคือที่มาของทุกนะตัณหาคือที่มาของทุกที่เรากินน้อยใช้น้อยเพราะเราประหยัดก็เพราะเราอยากมีมากเราก็กินน้อยใช้น้อย น, ะน้อยจนไม่กล้าสร้างบุญกุศลเลยเพราะว่าเราอยากเราเรามีความโลภต้องกินพอดีนะเมื่ออาทิตย์ก็ เสาที่แล้วพ่อครูก็บอกแหละพอดีห้องแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคนตัวเล็กกินชามหนึ่งอิ่มพอดีคนตัวโตขึ้นมาก็สองชามอิ่มพอดีคนตัวใหญ่หน่อยเขากินสามชามอิ่มพอดีทุกคนต้องรู้ว่าพอดีของตัวเองแค่ไหนแต่ถ้ากินเกินเพอดีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวท้องอืดท้องร่วงเด็กก็มีปัญหานะกินเพราะกินแต่ถ้ากินเพราะอร่อยมันก็เพลินกินเกินพอดีอ่ะนะตอนกินอร่อยมันอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่ในปากล่ะ เดี๋ยวลำบากท้องลำบากก้นต้องเข้าห้องน้ำนะ <_ d ance> ผลของมันก็คือเราต้องรับกรรมตัวนั้น <_ d ance> ทุกคนต้องมีสติมีปัญญารู้ว่ากำลังเราแค่ไหนนะ <_ d ance> ทำแค่พอดีกินพอดีใช้พอดี <_ d ance> ทำแค่พอดีนั่นคือทางสายการ <_ d ance> แต่ว่าคำว่าพอดีเนี่ย เ, เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ย เพราะคูไม่ได้เปนเน้นที่วัตถุบิวเกตยังไม่พอเลยใครจะพอนะพอใจเพียงแค่มีนะพอใจเพียงแค่มีนี่มีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจไม่ได้แปลว่าพอแล้วโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจสอนให้เรามีวิริยะขยันขันแข็งทำหน้าที่อย่างตั้งมัน่นแต่ทำแค่พอดีนะพอขี้เกียจมากก็ทาน้อยไปไม่เสร็จก็ชัางหัวมัน ฉันเบื่อพออยากได้มากทำจนไม่หลับไม่นอนไม่กินทรมานสังขารมันไม่พอดีนะเดี๋ยวเกิดโครคภัยไข้เจ็บทำอะไรทำแค่พอดีนะมันไม่ทุกข์ถ้าเกินพอดีหรือน้อยไปมากไปเดี๋ยวมีเรื่องพระพุทธองค์เองเนี่ยสมัยก่อนพุทธการคือพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นเจ้าชายสิทธัตถะ นะก็มุ่งมั่นบาเพ็ญเพียนหกนะพรรษาพระองค์ลองถูกลองผิดใช้วิธีทรมานสังขารเรียกว่าทุกขกิริยานะไม่ฉันอาหารไม่อะไรอะไรจนเหลือแต่โครงกระดูกอะไรก็ช่่งก็ไม่บรรลุธรรมพระ อ, องค์จึงตรัสรู้ทางสายกลางนะเหมือนเขาเล่นพินอยู่เนี่ยพระ อ, องค์ได้ยินนะออสายมันตึงกลนไปเนี่ย เสียงก็เพียงมันยานเกินไปก็เพียงมันไม่พอดีพระ อ, องค์ตัดสรู้ทางสายกลางนั่นแหละคือทางสายกลางคือทางพ้นทุกข์นะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะตั้งมั่นปฏิบตัตินะแต่ยึดหลักทางสายกลางอย่าไปสุดตรงทรมานสังขาร น, นี่ไม่ใช่ความเพียรชอบแต่สนองสังขารสนองตัณหานะนะเออ มีแต่เอาเวลาไปกินไปสนองกิเลสเนะี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ความเพียรชอบเหมือนกันนะความเพียรเห็นไหมความเพียรคือความขยันนะเพียรเยอะๆทําไมไม่ดีเหรอเห็นไหมทําไมบอกต้องชอบเพียรเยอะๆมันไม่ใช่ทางสายกลางมันแฝงด้วยความอยากเราจะไปนิพพานด้วยความอยากเนี่ยล้วหลอกคนอื่นได้แล้วหลอกจิตเราไม่ได้นะก็ให้เข้าใจคําว่าทางสายกลางคืออะไร มันไม่ได้แปลว่าครึ่งๆกลางๆมันตั้งมั่นอย่างยิ่งนะออมีความซื่อสัตย์ตั้งมั่นกับหน้าที่ที่เราทำอยู่แต่ทำแค่พอดีนะถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนแต่ไม่ใช่อยากจนไม่กินไม่นอนนะเพื่อต้องการมั่งความมั่งคั่งอันนั้นมันเกินพอดีนะข้อที่สองอารมณ์และความรู้สึกต่างกันอย่างไร แล้วอะไรเกิดก่อนกันไก่นะเกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไกนะ่ก็ไม่รู้จะรู้ไปทไนะําไมนี่คือนักนักวิชาการเราต้องการหาคําตอบนะนะถ้าพูดเรื่องธรรมมาแล้วพระองค์แสดงเรื่องปฏิจจสมุติบาทนะในยะของปฏิสมุติบาทเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของมันแล้วพระองค์ก็สรุปให้เรารู้ว่ามันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย นะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนะไม่ใช่ว่าอันนี้ต้องขึ้นก่อนนี้ขึ้นก่อนอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเราบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่ถ้าไม่มีไก่มันก็ออกไข่ไม่ได้เห็นไมมันก็เถียงกันจนนั้นแหละบอกว่าถ้ามันไม่มีไข่ก็ไม่มีฟักเป็นมันฟั ก, กไก่มันก็ไม่มีนะรู้แล้วพ้นทุกเบามันก็ไม่พ้นใช่ไหม บางครั้งมันเป็นอจินใจคือมันเป็นไปตามธรรมชาติพระอาทิตย์มาจากไหนพระจันทร์มาจากไหนตอบตอบตอบนะเออนักวิชาการนักวิจัยตอนเย็นพ่อคูเดินออกไปเจออาจารย์อ้อยเห็นว่าเอออาจารย์อ้อยนะเคยผลิตวัคซีนช่วยเหลือคนทั้งโลกนี่พ่อคูให้การบ้านหน่อยช่วยผลิตวัคซีนเนี่ยป้องกันกิเลสให้พ่อคูหน่อยนะึ่งเอาเวลาว่างๆนี่พูดจริงนะนะ อย่าไปทําเรื่องไร้สารละนะไปบริหารใ้คนมันเป็นไข้มันเครียดหมดแล้วค่อยมารักษามันอันนั้นไปเหตุนะเอาวัคซีนที่ฉีดปุ๊บเนี่ยมันกิเลสป้องกันกิเลสไงมันจะกิเลสคือที่มาของทุกข์นะกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปาทานทําให้เกิดทุกข์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์เอาเวลามาวิจัยเรื่องนี้หน่อยนั่นแหละเป็นการช่วยเหลือมนุษย์เสียชาติป้องกันทุกต้นทุกอย่างเลยนะ เพราะกูเคยไปบรรยายผู้บริหารกระทรวงศึกษานะหลายปีก่อนพอบรรยายสองวันมาสุดท้ายเขาบอกชอบมากดีมากไม่ปฏิเสธเลยแต่ข้าพระเจ้ายังมีกิเลสอยู่ทำไมบอกดีแล้วสองวันทั้กูไม่ไม่ได้เสียเปล่าอย่างน้นอยๆทาให้เราเห็นว่าเรามีกิเลสอยู่พูดหน้าตาเฉยนะบอกว่าฉันยังมีกิเลสอยู่มันไม่ต่างเลยว่าฉันเป็นเอศนะ เออดมันก็เกิดขึ้นจากมนุษย์มีกิเลสนั่นแหละเอตนี้เป็นปลายเหตุด้วยนะต้นเหตุคือมันมีกิเลสเห็นกิเลสจึงที่มาของทั้งหมดนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยนะอย่าไปผลิตวัคซีนแก้ที่ปลายเหตุนะผลิตวัคซีนเนี่ยมาป้องกันอย่าให้มันมีกิเลสนะรับรองมนุษย์ไม่ทุกอันนี้ต้องช่วยกันนะ ทีนี้อารมณ์นี่เราจะพูดถ้าพูดหลักปฏิสมุทบาทนะถ้าพูดหลักปฏิสมุทบาทเนี่ยนะเขาเริ่มนส่วนมากก็เริ่มจากอาวิชาไอความรู้ผิดของเราเนี่ยทำให้เกิดสังขารแล้วก็คิดตามความรู้ผิดของเราเราบอกว่ารถเบนมันดีกว่าตโตโยตา้าเราก็คิดอยากได้รถเบนนะเมื่อบันคิดปรุงแต่งปุ๊บวิญญาณก็เกิดวนะิญญาณก็เกิดแอคชั่นมาฉันจะต้อง ไปหาซื้อรถเบนท์มาน่ะพอมันคิดปุ๊บวิญญาณเกิดเนี่ยไอ้ตัวรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมมันมันก็กลายเป็นลูกโซ่นะอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารเนี่ยเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปุ๊บนามลูกมันก็เกิดเห็นไหมนามลูกมันก็เกิดสลายตะณะคือไอ้ผัสสะมันก็เกิดใช่ไหมพอผัสสะเกิดปุ๊บเวทนามันก็เกิดเวทนานี่คือเป็นตัวอารมณ์ เห็นไหมเวทนาก็ทําให้เกิดตัณหาตัณหาก็ทําให้เกิดอุปทานคือเกิดความอยากแล้วก็ไปหามาเมื่อได้มาแล้วก็รู้สึกอุปทานรู้สึกว่ามีความสุขพอมันสูญเสียไปเราสูญเสียคนรักไปเราก็เลยทุกขนะ์แต่ทีนี้ผู้เจ้าบอกมันไม่มีเบื้องต้นไม่เบื้องปลายเราจะเริ่มจากตรงไหนเลยก็ได้เริ่มจากเวทนาเลยก็ได้นะอยู่ๆนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะ ไม่มีอะไรมาผัดกระทบภัดสะเลยนะบังเอิญไอ้สัญญาเก่ามันมีมันคิดถึงอริสตูโกรดขึ้นมาหน้าเมื่อจนนอนไม่หลับเลยก็ได้นะอะไรเกิดก่อนก็ได้นะเหมือนเราถามว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตอบอะไรก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะบอกตายแล้วเกิดมันมีเวียนว่ตายเกิดนะมันไม่เสมอไปไงแต่ถ้าจิตทึ่งเขาบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเกิดไง ถ้าพูดปุ๊บมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะเอาเป็นว่าอะไรเกิดก่อนก็ได้ระหว่างอารมณ์กับความรู้สึกแต่ที่นี้พระคูจะพูดถึงเรื่องชีวิตเราชีวิตปกติเราเนี่ยที่เราเราเหวี่ยงทิ้งเหวยงทิ้งเราเต้นเราเต้นเราเต้นในขณะที่เราเต้นมันคิดนะไอ้ความคิดนี้ก็สร้างอ า, ดดอารมณ์คิดดีก็อารมณ์ดีคิดชั่วก็อารมณ์ชั่วเห็นไม พอมันลมขึ้นปุ๊บเนี่ยพอครูก็เตือนว่าสักแต่ว่ารู้นะสักแต่ว่ารู้นะสักแต่ว่าเนี่ยรู้เฉยๆนะไม่ได้แปลว่ารู้สึกถ้าเราถึงขั้น i, ร old old ู But, really ้สึกปุ๊บเนี่ยเวทนาเกิดละถ้าเราไม่ทันนะไม่สักแต่ว่ารู้อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมันเกิดขึ้นถ้าเราสักแต่ว่ารู้มันก็จบนะเหมือนเ้าด่าเราเนี่ยเสียงด่าเราเสียงด่านี่คือรู้ ตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดมันลงใจเลยนะความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นมมันก็บันทึกสัญญาใหม่ว่ามันด่าเราไอ้สัญญาใหม่ไปกระทบเชื้อเก่าสัญญาเดิมว่าเราไม่ชอบถูกด่าเราบันทึกเป็นภาษาไทยว่ามันด่าเราเราไม่ชอบแต่ถ้าคนเยอรมันมันด่าเราเราไม่บันทึก ภาษาเยอรมันเราไม่รู้เลยเราไม่เกิดความรู้สึกที่เรารู้สึกพอไม่พอใจเพราะเรารู้ภาษาและเราบันทึกสัญญาว่าถ้าเกิดเราสอนเด็กๆนะลูกการที่ถูกดานี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะลูกนะต้องขอบคุณเขานะใครด่าเรานี่ขอบคุณเขานะเพราะเขารักเรามากๆเลยถ้ามันใส่สัญญาตรงนั้นนะพอมันถูกคนด่านนะ มันนีดีใจแล้วว่าเขารักเรามันไหว้เขาด้วยนะบอกด่าอีกหน่อยด่าอีกหน่อยแต่เราบันทึกสัญญาว่าเราไม่ชอบถูกด่าการถูกด่าเป็นเรื่องไม่ดีเห็นหมแล้วเนื่องจากสติเราไม่ทันเนี่ยรูปนามเกิดดับมันเร็วมากเสียงมันด่าเราเนี่ยความเร็วของมันเท่ากับหนึ่งวินาทีของโลกปุ๊บปั๊บนะเหมือนเราไปดูภาพยนตร์เนี่ยไอ้ผู้ร้ายมันเอาปืนยิงพระเอกเราเห็นแค่ภาพมันยิงเนี่ยนะ ไอ้ภาพที่มันยิงพระเอกเนี่ยเราเห็นเป็นภาพเดียวจริงๆแล้วมันมีหลายร้อย้อยภาพเลยเนี่ยมันต่อเนื่องกันตัวสัญชติสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตมันเร็วมากเรามองไม่ไม่ทันมันเห็นไหมรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดออสัญญาที่บันทึกว่าไม่ชอบถูกดา่ามันเกิด สังขารเกิดมันปรุงแต่งแล้วมันคิดว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ฉันต้องด่าคืนวิญญาณนักสู้เกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปรุงเรียบร้อยแล้วด่ามันไปคืนเลยทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่าคนด่าคนเนี่ยมันไม่ดีเราก็เรียนรู้ว่ามันเป็นวัจจีกรรมไงเห็นไหมมันไม่ดีมันด่าเรามันทําให้เราโกรธทาให้เราทุกข์มันไม่ดีเลยแต่เรากลัวเสียเปรียบมัน แล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีเหมือนมันเดินไปหมามันเห่าเราโกรธมากเหาคืนมันเลยแล้วก็กลายเป็นหมาเหมือนมันทั้งหมดก็คือเราไม่ทันนั่นแหละขบวนการที่เขาเจริญสติถึงเกิดขึ้นนะเจริญสติให้สติเรามีความเข้มแข็งมีความเร็วเท่ากับรูปนาะมไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ถ้าเรามีสติดีๆนะมันด่าปุ๊บเราก็รู้ เราไม่เอามาคิดเพิ่มจบรูปเกิดก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ปรุงแต่งถ้าเราทำได้แค่นั้นน่ะวินาทีนั้นขันห้ามันปรุงแต่งไม่ได้ปฏิสมุขุบบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัตฏะสงสารดับแต่อย่าชะล่าใจนะว่าบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่เราเป็นแค่คนไม่ทุกข์ในเวลานั้นเท่านั้นเองแต่ยังไม่พ้นทุกข์เพราะไอ้กล่องบันทึกสัญญากรรมมันก็ยังอยู่ อาสวักิเลสมันก็ยังอยู่ถึงว่าไม่จบอยู่ที่สตินะไม่ได้จบที่พระสติสติไม่ใช่พระเอกนะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกเป็นน่ะคืออัตตานะทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาศาสนาพุทธสอนให้เราเกิดปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา ปัญญาเป็นตัวเป้าหมายสูงสุดไม่มีสตินะไม่มีนะเออทานศีลภาวนาไม่มีสตินะแต่สติมันซ่อนอยู่ในสมาธิมันเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิมันเป็นกําลังของสมาธิความเพียรก็เป็นกําลังของสมาธิชอบนะเมื่อมีสมาธิปุ๊สติมันก็ตื่นรู้มาทํางานมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งในการเดินทางไปสู่การพ้นทุก์แต่มันไม่ใช่พระเอก แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราชูธงสติเป็นพระเอกนะเราจึงเข้าไม่ถึงปัญญาเมื่อจิตมันเข้าถึงปัญญาแล้วมันจะรู้ว่าต้นเหตุที่เราทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะมันด่าเรานะเราจึงไปฝึกสติไงมึงด่าปุ๊บกูกตัดมึงได้เลยเห็นไมเออเดี๋ยวนี้ดา่ากูตัดเลยนะฉันเก่งบังเอิญมันสิบคนดา่าพร้อมกันกูตัดไม่ทันแล้วทีนี้วีนเลยไง ไม่ใช่พี่แก้ที่เขาไม่ใช่เราทุกข์เพราะมันด่าเราทุกข์เพราะเราโง่เองเนี่ยเราเอามาคิดเพื่อให้มันทุกข์เมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วมันจะแก้ที่ต้นเหตุของมันนะคือมันจะล้างสัญญาที่เราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่าทิ้งเห็นไหมทีนี้มันยังมีอยู่พูะเจ้าถึงใช้อุบายว่าต้องมีศรัทธานะเห็นไม่มต้องมีศรัทธานะ เอาศรัทธาเป็นเบื้องต้นถ้าเราสบาัดศรัทธาครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ใช่ด่าเราเฉยๆนะไล่แล้วกูก็ไม่หนีอ่ะนะครูาอาจารย์ไล่หนีนีนี่ไปมึงขี้เกียจเลยก็ไม่หนีไงเพราะเราศรัทธาครูบาอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีศรัทธาเนี่ยพูดเบาๆเลยน้อยใจน้อยใจกูไปดีกว่าอย่าว่าจะด่านะเตะตีหัวเลยเนี่ยก็ไม่หนีไงศรัทธาไง แต่ถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเนี่ยสอนแรงหน่อยก็กลายเป็นคําด่าแต่ถ้าเราศรัทธาเนี่ยคำด่ากลายเป็นคําสอนถ้าเราตั้งมั่นขันติยึดศรัทธาเราก็มุ่งมั่นเรื่อยๆเราก็สามารถร้างไอ้สัญญาที่บันทึกไว้เนี่ยไอ้กิเลสตัณหาอุปทานที่บันทึกไว้เนี่ยออกมาหมดไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุฝึกสติมาเพื่อจะรู้เท่าทันสิ่งสิ่งมากระทบ อันนั้นมันเป็นแค่ปลายเหตุแต่มันมีประโยชน์ระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุของมันนะก็เอาเป็นว่าอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะครูพูดถึงในแง่ว่าชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะนะมันคิดมันจึงมีอารมณ์คิดดีก็อารมณ์ดีคิดชั่วก็อารมณ์ชั่วคิดกลัวมันก็กลัวนะอารมณ์นี้คือผลของกวางของการสร้างมโนกรรม มันคิดตามอาวิชชาคือความรู้ผิดคิดตามสัญญาโปรแกรมมันนั่นแหละมันก็คิดตามนั้นมันก็เกิดอารมณ์นะในช่วงที่เรากําลังเจริญมรรคจิตอยู่เนี่ยเรามีหน้าที่รู้เท่าทันอารมณ์นะอารมณ์เกิดขึ่งเหมือนถ้ยิงเป้าบินเห็นปุ๊บก็ยิงเห็นปุ๊บก็ยิงยิงยงไม่พิจารณาไม่ตัดสินถ้าเรายิงไม่ทันนะเราเผลอปุ๊บเฮ้ยมันสีเงาเง า, เงาขาวขาวสว่างสว่าง เหมือนเพชรนี่ว่ะอ่าเพราะไปคิดปุ๊บเนี่ยยิงไม่ถูกไม่ทันอะมันตกลงมาแล้วมันมาชนใจเราเวทนาก็เกิดขึ้นอีกนะ mm hmm. เพราะเรามีความอยากไงเราอะไรอะไรฉันไม่ชอบฉันยิงทิ้งหมดพอไปเจอสิฉันชอบฉันยิงไม่ได้เห็นไหมเรายิงไม่ได้แล้วแล้วก็ถูกอารมณ์นั้นครอบงําแทนที่ศักแต่ว่ารู้ มันพัฒนาไปสู่ความรู้สึกรู้สึกนี่สร้างเวทนาละนะสัญญาสังขารวิญญาณตามมาเลยมันปรุงแล้วภายในหนึ่งวินาทีนะรู้เฉยๆแต่ทีนี้เราฝึกสัมมากรรมฐ า, านเนื่องจากอยากให้จิตเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นนะ่ะมันเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บหนอย่ำเน่ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจบอยู่นะ น, นะนะอันนั้นฝึกขันตินะ ถ้าฝึกได้ก็ขันติถ้าฝึกไม่ได้ก็ขันแตกอันนั้นเป็นช่วงฝึกสัมมาถากรรมฐานเป็นอุบายวิธีไม่ใช่ผิดเป็นการเจริญสติฝึกสัมมาถากรรมฐานคือสมาธิเบื้องต้นโดยใช้อารมณ์ต่างๆนะมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกาหนดจริงๆแล้วก็กาหนดรู้ก็ไม่ได้ผิดนะถ้ารู้เฉยๆถ้าไปตอกย้าไปรู้สึกกับมันเมื่อไหร่เนี่ย นะมันเผลอที่จะพัฒนาปรุงแต่งไปขันห้ามมันปรุงเลยแต่ถ้าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยรู้เฉยเยรู้เฉยเฉยถ้าเราพิจารณาปุ๊บไปจะรู้สึกชอบกับไม่ชอบถ้าชอบปุ๊บสุขสุขถ้าไม่ชอบปุ๊บทุกทุกมันจะตัดสินทันทีเลยนะ เรารู้เฉยๆ่ว่าภาษาเนี่ยระวังนะคำว่ารู้กับรู้สึกนี่คนะระดับนะนะถ้ารู้สึกปุ๊บเหมือนเราพิจารณามันแล้วเหมือนเราไปอินอยู่กับมันแล้วเราดึงมันมาเนี่ยมาพิจารณามามาปรุงแต่งแล้วมันจะพัฒนาไปสู่รู้สึกนี่กลายเป็นเวทนาแล้ว แต่ว่าที่บอกเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมภาษาไทยระวังนะสติสัมปชัญญะน่นภาษาเนี่ยคาว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้สึกเราก็เข้าใจว่าพวกกูบอกคําว่ารู้สึกมันก็เป็นเวทนาแล้วเนี่ยนะมันคนละอย่างไอ้ช่วงที่เรากําลังเ จ, จเริญวิปัสสนาเนี่ยรู้เฉยเรู้เฉยเฉนะไม่ต้องไปรู้สึกมันแต่ชีวิตเราระดับสมถะเนี่ยเราขี่จักรยานเนี่ยไม่ใช่ไปรู้ขาถีบเฉยเฉยนะไม่ใช่กําหนด ขวาซ้ายขวาซ้ายอ่ะนะตาไม่มองข้างหน้านะแล้วก็สมองคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวตกเหวตกบ่อชนต้นไม้อันนั้นคือสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าเราทําอะไรอยู่รู้พร้อมๆกันทั้งหมดไม่ใช่ไปรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่ช่วงฝึกอันนี้คือระดับชีวิตเราต้องระดับสัมมาทานะแต่เป็นสัมมาทัที่ช่วงที่เราใช้งานมันใช้สติส ม, มาธิเรามีอยู่อยู่กับ การเคลื่อนไหวอยู่กับการทางานของเราแต่ช่วงฝึกสัมมาทาก ร, รมาฐานนั่นต้องกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งทีละอย่างเพื่อว่าให้จิตไปจดจ่อตรงนั้นมีกำลังกดมันไว้เพื่อไม่ให้ไอความคิดเนี่ยมันมาแทรกได้ถ้าพลังความสมาธิเรามากกว่าความคิดมันวางความคิดเราก็รู้สึกว่างความสงบก็เกิดขึ้นนะ้วก็รู้อยู่นะฝึกสัมมาทาก ร, รมฐานเนี่ยไปจบอยู่ที่สงบแต่มันไม่เกิดปัญญา นะก็สมมติว่าเราไปนั่งดูโทรทัศน์นะนั่งดูละครเราก็ดูเฉยๆดูเฉยๆเราจะเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไปสนใจพระเอกเอ้ยมันเก่งนะไปวิจัยพระเอกไปวิจัยนางเอกเนี่ยนะราก็สงบนิ่งมีสมาธิเห็นพระเอกเราก็พลาดโอกาสในการเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดวิปัสสนาจะไม่เกิดขึ้นนะแค่เห็นเฉยๆ รู้เฉยๆนะก็มันเป็นความเคยชินเรานั่นแหละเราเป็นนักเรียนรู้เห็นว่าต้องเอามาคิดต้องหาคำตอบให้ได้มันคืออะไรนะก็เหมือนเมื่อกี้ใ่ถามว่าอารมณ์กับความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก่อนนะเหมือนเราเราตื่นอยู่ที่บอกว่าคืนนั้นเรากาลังจะนอนนะ ไม่มีอะไรกระทบผัสสะเลยนะนะมันมีสัญญาเดิมมันเริ่มจากสัญญาเดิมที่มันจําได้คู่อริมันนะนะมันก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นนะสังขารเกิดปุ๊บวิญญาณมันก็เกิดพอเกิดปุ๊บอารมณ์มันตามมาทีหลังอารมณ์โกรธขึ้นมาโกรธจนนอนไม่หลับเลยเห็นไหมอันนี้ก็กลายเป็นว่าความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนอารมณ์ แต่ชีวิตเราอยู่ข้างนอกถ้าสิ่งมากระทบปุ๊บมันเกิดอารมณ์ปุ๊บไอ้ความรู้สึกมันตามทีหลังนะะมันเจ็บนะถ้าเราไม่สักแต่ว่าเจ็บนะเราไปเจ็บตามมันปุ๊บแล้วก็รู้สึกเราทุกข์รู้สึกไม่พอใจใครว่าเอาตะปูมาไว้ตรงนี้เนี่ยหาคนทำผิดแล้วนะเอาเป็นว่ามันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเอาเป็นว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังกระชงเขาช่างเรารู้เฉย อยาให้มันพัฒนาไปสู่การรู้สึกเอ่อลการปฏิสบุตรบาทร น, น, นั้นชัดเจนนะทีนี้ปฏิสบุตรบาทเนี่ย ม, มันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเขาเรียกว่าแนวที่มันทำให้เกิดแนวที่มันทำให้เกิดคือมันเหมือนนาฬิกาเนี่ยนะถ้ามันวิ่งไปสู่ ข้างด้านขวาเนี่ยเรียกว่ามันพัฒนาไปสู่อนาคตนะปฏิสุบุตบาลมันไปตามกระแสกรรมมันพัฒนาไปถู่ข้างหน้าทีนี้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราย้อนไปสู่อดีตแล้วหมุนกลับหมุนกลับเพื่ออะไรทีนี้ปฏิสุบุตบาลเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนว่าแนวเกิดคือเพราะอาวิชายกตัวอย่างว่าอาวิชาถ้ายกตัวอย่างอาวิชาขึ้นก่อนเนี่ยเป็นปัจจัย เป็นไปอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนื่องจากเรามีความรู้ผิดเราจึงคิดปรุงแต่งคิดตามความรู้นั้นถ้าเราไม่มีความรู้เราจะเอาภาษาอะไรมาคิดตอนนี้เราคิดตามภาษาไทยนะฝรั่งคิดตามภาษาฝรั่งคนจีนนภาษานี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราบันทึกเป็นสัญญาไว้เห็นไหมแล้วก็คิดตามตามอาวิชชาคือความรู้ผิดตรงนั้น แล้วก็ปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งปุ๊บวิญญาณมันก็เกิดอันนี้คือคือไอ้ M. สายที่มันสร้างให้มันเกิดขึ้นทีนี้ผู้เจ้าไปเห็นสิ่งนี้เนี่ยพระ อ, องค์ก็ไปเห็นวิธีแก้มันเนี่ยสายที่มันทําให้แนวที่ทําให้มันดับแนวที่ทําให้มันดับมันก็เมื่อกี้ today, เราเริ่มจากอวิชาแล้วก็อันนี้ก็เริ่มอวิชาคือคือเพราะอา ว, วิชาดับถ้าเราดับอ ว, วิชาได้ สังขารก็ดับถ้าอาวิชาแล้วไม่มีเราก็ไม่ต้องคิดปรุงแต่งอันนี้คือแนวแนวทวนกระแสนะสังขารดับถ้าเราชาติดับชะลามรณะก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราไม่เกิดเนี่ยเราจะชรลามไหมเราจะตายไหมพวกครูเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะ คุณหมอพยาบาลมานั่งอยู่เราก็พูดหลายๆเรื่องคุณหมอไม่ค่อยสนใจเพราะเ็าติดแบบวิทยาศาสตร์เพราะครูก็ทำให้คุณหมอสนใจเพราะคุณหมออย่าหลงตัวเองนะคุณหมอไม่เก่งเลยรักษาไข้หวัดก็ไม่หายขาดโรคภูมิแพ้ก็ไม่หายขาดมันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เป็นอีก อย่าว่าจะโรคเกศโรคมะเร็งนะแต่ถ้าเรากินยาพระพุทธเจ้าเนี่ยเราบริโภค พ, พุทธโอสถธรรมโอสถของพุทธองค์เนี่ยเราจะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายคุณหมอโกรธมากได้ผลจ้องจ้องด้วยพคูจะพูดยังไงพูดอะไรไสยศาสตร์ไร้สารนะถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมีอย่างเดียวเท่านั้นอย่ากเกิด ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีชาติแล้วมันจะมีชะลามรณะได้อย่างไรทุกคนทาได้ไม่ใช่ของาศาสนาใดด้วยแต่บังเอิญพระพุทธเจ้าเจ้าไชยสร์ไปตัดสรู้มามันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะแก้ที่ต้นเหตุของมันแต่ตอนนี้เราไปแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจำแม่นๆนะอย่ากเกิดอีกเด็ดขาด เกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องเห็นไหมทำไมมันไม่หัวเราะทำไมไม่ดีใจว่าดีใจจังเลยฉันอิสระเกิดแล้วอยู่ในท้องคุณแม่ไปไหนก็ไม่ได้อึดอัดหน้าดูเลยมันร้องไห้ทําไมเออมันทุกข์เพราะเกิดแล้วไงมันจำได้หมายรู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันทุกข์แน่ๆใช่ไหมถ้าไม่อยากทุกข์แบบนี้อีกก็มันหลงมาเกิดแล้วไงก็ทาให้ตัวเองมีสุขสี่เห็นไหม คนแก่ลุกก็โอยนั่งก็โอยจะวิ่งเร็วๆเหมือนหนุ่มสาวเขาก็ไม่ได้เ อ, อเจ็บมาก็ร้องโอดควรน่าจะร้องเพลงนะโอ้ยฉันเจ็บท้องจังเลยดีใจจังเลยฉันเจ็บท้องจังเลยฮ่ะทำไมโอดควรทําไมล่ะก็ร้องเพลงสิทําไมต้องไปทุกข์กับมันล่ะเห็นไหมวันจะตาย บางคนบอกว่าเ้ยตายไม่กลัวกลัวอดอะไรเนี่ยพอวันจะตายมาตายไม่ลงเนะ่ะทุลนทุลายทุรนทุลายดิ้นไปดิ้นมาสองสามวันตัวก็แข็งหมดเน่าเหม็นหมดนะนี่นคือตายไม่เป็นไงเห็นไมวันที่จะตายตรงยิ้มนะโอ้หมดภาระหน้าที่แล้วฉันจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้วเนี่ยร้องไห้ทำไมเห็นไหม ไอ้ร่างกายสปันกลงเคนี้จะไปอยู่กับมันทาไมรถแก่แล้วตื่นเช้ามาก็เข็นเข็นเข็นเขนขับไปหน่อยหนึ่งก็ดับอีกก็มาเข็นเขนอีกนะยังไม่ยึดมัน่นถึือมันยังไม่ปล่อยวางอีกคําว่าตายนี่คือการเปลี่ยนร่างจะเปลี่ยนรถใหม่ต้องยิ้มทั้งหมดคือเรามีสัญญาเรารู้ผิดเราบันทึกสัญญาผิดว่าตัวกูของกูเราก็ได้เบลหลงมันนี่ย พอมันจากจะจากเราไปเนี่ยเราก็เลยจิตมันก็เลยทุกข์ไงมันวางไม่ลงในขณะที่พูดเจ้าก็พูดกับกันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะเอาแปะสิริสมทยหลายปีก่อนอายุตอนนั้นแปดเกือบเก้าสิบเลยละ่ะแบบเป็นลูกศิษย์เอกเลยเนาะสนิท ก, กับพระครูมากนะพอออกไปซิ่งปุ๊บเจ็บปวดก็เข้ามาหาอีกก็โอยอีก พอเวียงปุ๊บ 20, ลมปลานมันก็เดิ น, นก็หายอีกก็ออกไปซิ่งอีกนะครั้งนั้นพอครูเห็นว่าพลังชีวิตแกเกือบจะหมดแล้วล่ะก็เลยกระทุ้งลูกสุดท้ายแรงๆหน่อยบอกอัแปะขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของลืล้อลือมันลื้จะไปเจ็บตามตมันทําไมแกก็มองถ้าไม่ใช่ของอ้วเนี่ยว่าเดินมามันก็พาว่าเดินมาเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ของอัวนได้ยังไงเห็ไหมมันเจ็บปกก็ยังเจ็บกับมันเลยเห็นไหม เพราะลือไปหลงว่าเป็นของลือไม่ใช่ของลือสักหน่อยแกก็งงงงเือนแกสตามากวันที่อแปะกลับบ้านเก่าเนี่ยอแปะต้องเอาไปด้วยนะงานศพแกพ่อครกูก็เข้าไปนั่นแหละบอกแฟนแกว่าอาแปะเอาขาแกไปไปด้วยไม่ได้ถ้าเราคิดถึงของเราอะไอตัวฉันเธอเป็นของฉันต้องฟังฉันนะเธอห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายเด็ดขาดฉันไม่ชอบเห็นคนแก่ทุกข์มากเลย คนเจ็บร้องอดโอยเลยเนี่ยนะคนตายก็ตายไม่ลงมันดิ้นเลยเน่เธอห้ามเจ็บห้ามแก่ห้ามตายเด็ดขาดมันฟังเราไหมถ้าเป็นของเรามันต้องฟังเราสิมันไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปหลงมันว่าของเรานะอันนี้คือความหลงของจิตมันมีอวิชางมันรู้ผิดมันรู้ว่าของมันที่จริงแล้วไม่มีใครบอกว่าของมันไม่มีใครบอกว่าของเรานะ นะแต่เรามีความรู้ผิดเราดับอวิชชาได้สังขารก็ดับเห็นไหมเราดับชาติได้ชาลาโมลนะก็ดับได้มันเป็นหลักธรรมชาติมันมีเห ต, มมเหตุมีผลในตัวมันแต่ไม่ใช่เหตุผลแบบปากกาที่มนุษย์เราเนี่ทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนี้ล่ะเธอต้องมีเหตุผลเธอต้องมีเหตุผลนะเรียนจบจนถึงปริญญาเอกเรียนวิชาเหตุผลคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะต่างคนต่างมีเหตุผลเข้าข้างทิฏิมานะของตัวเองเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นเหตุผลแบบนั้นมันเป็นเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเหตุ ด, ดับมันก็ผลก็จะดับไงมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายนะมันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองนี่คือหลักความจริงตามธรรมชาตินะ ข้อต่อไปการเวียงหรือเต้นนั้นเพิ่มกำลังให้การเจริญอริยบทสี่ใช่ไหมคะคนละเรื่องนะอริยบทสี่เนี่ยเป็นเทคนิคเป็นอุบายวิธีในการฝึกจิตอย่างหนึง่งนะเขาคงเขียนผิดนะเป็นการเพิ่มกำลังให้สติปัฏฐานสี่ใช่หรือเปล่า ใช่สติปฐานสี่คือทำให้มีกำลังมากขึ้นพัฒนาจากอนุสติให้มันกลายเป็นมหาสติอนุสติคือสติเล็กๆรู้ตัวทั่วพรปัจจุบันนะแต่มันไม่สามารถระลึกรู้อดีตได้มันต้องถึงขั้นมหาสติมหาสติจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดกายเวทนาจิรทำไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวนะ ทีนี้ไอ้การเต้นการลัมของเราเนี่ยเป็นการเสริมกําลังตัวนี้เนี่ยยิ่งหมุนเร็วๆเนี่ยเหมือนลูกคางเนี่ยเราต้องใช้สองนิ้วหมุนเห็นไหมมันหมุนหมุนหมุนเห็นหมหมุนหมุนหมุนมุนสักพักหนึ่งมันนิ่งเห็นไหมมันไม่ได้ทําสมาธินะอ๋อใครทําให้มันนิ่งที่มันนิ่งไม่ใช่มันหมุนนะมันหมุนเร็วที่สุดนะมันนิ่งจิตเมื่อยู่ในแกนกลางนั่นเหมือนพายุทนโดถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยพลังพายุนั้นทําอะไรไม่ได้ เวลานั้นน่ยคือมันมีพลังสูงสุดความคิดเข้ามามันตีออกเห็นไหมอะไรกระทบมันตีออกมันมีมันมีพลังอันนี้เขาเรียกว่าเอกขตาลมฌานสี่สูงสุดน่ยนะสมถกรรมฐานคือฌานสี่สูงสุดต้องถึงขั้นเอกขตาลมจะถึงเจริญวิปัสสนาได้เมื่อลูกข่างมันหมุนปุ๊บเต็มที่มันนิ่งเห็นไหมมันนิ่งมันอิสระจากแรงดึงดูดทั้งปวงมันอิสระเพราะพลังมันเยอะ แล้วมันก็หลุดออกไปหลุดออกจากวงจรจิตเราเหมือนกันถ้าเราสร้างแรงเวียงให้กับจิตมันหมุนเต็มที่นะมันอิสระจากแรงดึงดูดของตาหูจมูกดิ้นกายใจนะแล้วก็ความคิดมันจะหลุดเข้าไปในจิตในจิตตอนนี้จิตเรามันเกาะอยู่ที่ใจมันเป็นธาตุของใจมันเป็นธาตุของความคิดมันเป็นธาตุของเสียงเสียงนี่มีผลนะ ที่พกูเลือกเสียงเพราะว่าเสียงมันเล่นสติได้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปกนดอะไรเลยนะเห็นไหมเสียงนี้มีผลสำหรับมนุษย์เวลาเสียงมันลอยมาเป็นเสียงที่เขาชมเราเรารู้สึกดีดีเวลาเสียงนั้นมันลอยมาลอยมามันด่าเราเรารู้สึก ทูกถูกเพลงนี้ฉันชอบเพราะเพราะนะชอบชอบแต่เพลงที่ไม่เพราะวีนเลยเราเป็นทาตของอายตนะเราเป็นทาตของกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อนสนิทเรามัน มันตีเราแรงมากทำไมเราไม่โกรธมันเออเล่นแรงน่ะกับดีใจนะ่นมันเล่นกับเราคูออ่อลิเรามันไม่ได้ตีเราเส้นหน่อยหนึ่งมันพูดเฉียดถูเนี่ยจะตายกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นออมันเป็นสัญญาที่เราบันทึกไว้เนี่ยเราเกิด มันมีกิเลสตัณหามันมีอุปทานของมันมันไม่ใช่ความจริงนะถ้าความจริงเนี่ยทุกคนต้องรู้สึกเหมือนกันความจริงที่เราเห็นชัดนะเกิดมาปุ๊บบางคนไม่แก่ก็ตายบางคนแข็งแรงต่อจนไม่เคยเจ็บเลยเลยสุดท้ายก็ตายนั่นความจริงไม่มีใครรอดพ้นได้นั่นคือความจริงอย่างยิ่ง แต่ทุกวันนี้เราไปติดสมมุติสมมุติได้ยังไงทุเรียนอร่อยอร่อยอยังไงฉันกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นน่ะมันสมมุติได้ยังไงฉันมันอร่อยไงทํา ไ, ทไมคนนี้มันได้กินทุเรียนมันวิ่งหนีเลยแ ม, นแมน่นเหม็นเพราะมันไม่ใช่ความจริงชีวิตเราไปติดเรื่องสมมุติเหล่านี้อะไรช อ, ช, อชอบชอบฉันก็มีความสุขอะไรไม่ชอบไม่ชอบฉันก็เลยทุกข์ไงชอบไม่ชอบมันเกิดจากอุปทาน เกิดจากสัญญาที่เราบันทึกไว้มันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยทุกคนต้องเหมือนกันความจริงที่ผู้เจ้าไปตัดสรูุ้ว่าเกิดแก่เจ็บตายอีกกี่ล้านปีก็เปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์พยายามนะจะอยู่ยงคงกระพันนะเออจะไปวิจัย เ, เขาเรียกว่าอะไรล่ะไปทําเซลอะไรเลยไปเปลี่ยนมันจะทําแบบนี้นะเหมือนเราเป็นรถยนต์ใช่ไหม ถตับมันไม่ดีปุ๊บเปลี่ยนตับเปลี่ยนกระเพาะเปลี่ยนหัวใจอะไรเนี่ยไปโคนนิ่งฮะโคนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาไอ้ น, นี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นมนุษย์นะียเป็นแค่อะไร <c oughs> ไว้เปลี่ยนชั้นกูจะอยู่ยงคงกระพันเป็นล้านล้านปีเนี่ยคุณโคนนิ่งสลีละได้คุณโคนิ่งจิตวิญญาณไม่ได้หรอกไม่มีทางเนี่ยมนุษย์เนะี่ย เห็นไหมก็ทุกวันนี้มันเก่งขนาดว่าคนมันจะล้นโลกแล้วไงเพราะเราเก่งไงคลอดปุ๊บโอกาสรอดเยอะแต่ธรรมชาติมันก็ต้องลงโทษมนุษย์ให้มึงฆ่ากันเองให้มันตายเยอะๆไงเพราะว่าคนมันจะล้นโลกไงนีก็สร้างเทคโนโลยีมาให้วัยรุ่นมันตายก่อนอายุไขัยมันโมเตอร์ไซค์เขาเอามาแทนการขี่การเดินนะตอนนี้มันเอามาสิ่ง ตายตายตายตยตโค้งตายเลยเห็นไหมหนะ ม, มันขี่ไม่เป็นไงมันขี่ให้มันตายมนุษย์เราเก่งอย่างหนึ่งแต่กฎแห่งกรรมมันจะชดเชอยอยู่แบบหนึง่งใช่ไหมถ้ามึงปล่อยให้เก่งอยู่ยงครรมกับพันหมดแล้วโลกนี้มันจะไปอยู่ได้ยังไงจะกินอะไรเ ห, อเ ห, หรอเนี่ยมนุษย์เราพยายามจะฝืนระบบธรรมชาตินะ ก็การเวี่ยงการเต้นอะไรเนี่ยไอ้ตัวเวี่ยงตัวเต้นเองนั่นแหละเป็นตัวเสริมกําลังให้สติเราพัฒนาไปสู่มหาสตินะแล้วก็มีกําลังขับเคลื่อนเข้าไปในจิตในจิตถ้าเกิดเราไม่มีกําลังแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปในนั้นเราจะถูกอารมณ์ในอดีตเนี่ยมันบล็อกเราไว้แล้วหลายคนไปตีนมันนะไปตีมันติมันบอกเวียเว่ยงทิ้งเวี่ยงทิ้งก็ไม่เหวี่ยงทิ้ง เพราะว่ากําลังเราไม่พอที่จะผ่านโปรแกรมนั้นมันเป็นกรรมเก่าที่จิตเรามันติดมาแล้วไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดแต่ถ้าเราไม่เลิกปฏิบัติไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะมันจะผ่านได้แต่ดีที่สุดนะอย่าเสียเวลากับมันมากเรียนรู้กับมันสักพักหนึ่งอย่าไปติดมันพูดจนตายอย่าติดอย่าติดนะมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตเดี๋ยวมันก็ไปติดอีกเพราะความพอใจของจิตปัจจุบันมันชอบอย่างนั้น โปรแกรมเช้าสายบ่ายเย็นจนเป็นเทคนิคอุบายวิธีเนี่ยอย่างวิธีเวี่ยงเราเนี่ยมันเหมือนสว่านเห็นไหมทุกคนเคยฉเซนสว่านไม่โฉเราเจาะกาแพงเนี่ยถ้าบาังเอิญไปเจอหินเนี่ยมันติดเลยเห็นไหมเฉพาะแรงเบี่ยงเนี่ยมันไม่พอไงเนี่ยพวกเรากำลังติดโปรแกรมนั้นมันผ่านไปไม่ได้พวกครูก็เลยเพิ่มโรตอรี่ให้มันสว่านที่มันกระแทกมัน มันเข้ามันดึงออกมันเข้ามันก็ดึงออกเดี๋ยวมันก็ทะลวงได้แต่เราต้องฝืนกิเลสเราหน่อยดึงนะกิเลสมันอินอยู่ตรงนั้นนะมันติดไงที่นี่ฝืนทํำยังไงล่ะนะโดยเฉพาะพวกปฏิบัติมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอชั่วโมงยืนเดินนั่งนอนนักหายไปหมดมันไม่ชอบมันไม่สนุกไงเราคิดว่าฉันรู้แล้วฉันดูแล้วไม่ใช่เรียนเพื่อรู้วิธีนะ ที่นี่มาปฏิบัติมันเจริญมรรคจิตมันไม่ชอบต้องข้ามพ้นความไม่ชอบให้ได้และเราจะมีกําลังและเราเข้าไปในจิตเราจะผ่านโปรแกรมนั้นได้ไม่ใช่ตามใจมันตลอดอยู่ข้างนอกก็ตามใจอยู่ข้างในก็ตามจิตผู้เจ้าบอกไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วนอยู่ข้างนอกก็เสพความคิดไปหลงจินตนาการปรุงแต่งอยู่แต่นั่นแหละอยู่ข้างในก็ไปหลงอารมณ์ข้างในทําในธรม วิธีก็มีอยู่แล้วนะเราต้องฝืนกินเลสเราชอบก็มาปฏิบัติไม่ชอบก็มาปฏิบัติเดี๋ยวเราจะทะลวงไปหมดละผ่านแต่ไอโปรแกรมนั้นอย่ากลัวมันหายไปไหนนะหลายปีก่อนนะมีแก๊งหนึ่งอยู่ในศูนย์นะเกาะกลุ่มกันบอกอย่าไปเชื่อพรอครูนะหามาตั้งนานแล้ววิเศษขนาดนี้เวี่ยงทิ้งทำไมบอกเวี่ยงทิ้งเวี่ยงทิ้งไม่เวี่ยง บางคนตั้งใจฝึกอภิญญาฝึกหูทิพตาทิพฝึกเลยนะฝึกเกือบตายยังไม่เจอนี่เข้าไปเจอแล้วไงเพราะอดีตมันฝึกมาแล้วไงเรื่องอะไรจะเหวี่ยงทิ้งถ้าไม่เหวียงทิ้งนี่เราก็เป็นผู้วิเศษทําไตรทำมาก็เป็นคนทรงเราจะเป็นคนพ้นทุกข์ไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติปฏิิบัตเพื่อจะเป็นอะไรเพื่อเลิกเป็นทีนี้กําลังเราไม่พอไง เนี่ยการเจริญมรรคจิตการฝึกทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือใช้พลังงานทุกอย่างที่เรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไอ้พลังแรงเบี่ยงมันก็มีพลังยังยังเราจะเจาะน้ามันเราจะใช้พลังกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกมันก็เปิดหินหน้าดินเนี่ยแต่พอลึกๆนีกก่กำลังมันไม่ถึงกก็ต้องใช้แรงเบี่ยงหมุน ล, ลงไปไปเจาะน้ามันเห็นไหมบางครั้งก็ต้องใช้พลังเขยา่า เราต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยไม่งั้นเราจะไปติดเหมือนสว่านมันเจาะปุ๊บมันติดมันมันติดเข้าไม่ได้เราต้องเพิ่มโรตรี่ให้มันแต่แต่แต่ดึงเข้าออกดึงออกออกเขาออกเขาออกไม่ให้มันติดเข้าไปใหม่ยิ่งแรงก็ใหม่ก็ทะลวงตรงนั้นเข้าไปเข้าใจหรือเปล่าที่จัดเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยมันเป็นพลังงานตามธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวช่วยให้จิตเรามีเครื่องมือเดินทางเพราะจิตเรามันติดอยู่แล้วถ้าไม่ติดเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกไงมันติดพบไงหลวงปู่มั่นถ้ำที่ท่านระเบิดน่ะท่านระลึกชาติไปเห็นว่าท่านเป็นสุนัขแถวนั้นห้าร้อยชาติท่านไปยินดีกับความเป็นตรงนั้นะยินดีก็เกิดมาเป็นอีกยินดีก็เปิดมาเป็นอีกเห็นไหม พอเราจิตปัจจุบันมันก็มีกรรมที่เราสร้างมามก็เป็นอนุสัยเราเนี่ยพอไปเจอตอนนี้อีกมันก็อยากไปเป็นมันก็ไปติดอยู่กับมันนะเข้าใจไหมอีกอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนนะติดอะไรก็คือหลงหลงติดติดก็คือหลงโลภ ก, กดหลงก็คือที่มาของทุกข์เหมือนกันนะเอาเป็นว่าไปเสพมันไม่ใช่ไปกลัวมันอ่ะไปไปเรียนรู้กับมัน เรียนรู้แล้วต้องรู้จักวางมันนะไม่ใช่ไปหลงมันนะไปวิจัยมันไปเป็นมันอารมณ์ต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเรียกว่าเวทนาในเวทนาภายในเรียกว่าธรรมมลมเรียกว่าธรรมในธรรมทั้งภายนอกภายในไม่ติดไม่ติดติดอะไรก็คือหลงนะไม่ติด อารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเป็นคืออัตตานะอัตตาตัวตนข้างนอกนี่หยาบมากนะท่านเป็นใครเป็นาศาสดาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นประธานไม่เป็นคนละอันนี้อัตตาหยาบหยาบแต่อัตตาละเอียดของจิตนี่น่ากลัวมาก น่ากลัวยิ่งกว่ามันเนียนเนาะแล้วก็เอาหัวโขนอัตยับๆเนี่ยโดยอะไรเทคนิคนี้มีนะใครมาวันแรกๆ ก, ก็รู้แหละรู้อารมณ์ตัวเองเลยนะเฮ้ยมาเต้นอะไรเหมือนเด็กๆเฮ้ยมาลัาอะไรกูอายเว้ยนี่แหละนี่แหละเราเห็นอัตตาเห็นเห็นหัวโขนเราที่เราปลูกฝังมานี่แหละถ้าเราไม่วางตรงนี้มันเต้นไม่ออกนะมันลำไม่ได้เกริ่งก้างไม่สวยเลยนะ อันนี้เป็นอุบายวิธีเนี่ยเอาหัวคนหยาบๆออกก่อนแล้วพอมันอิสระแล้วมันจะเข้าไปสะสางอัตตาตัวละเอียดที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติแต่ถ้าเราตัวหยาบๆเราก็ไม่ยอมมาออกเลยนะไอพลังงานต่างๆที่มันจะช่วยให้จิตเรามีพลังปล่อยวางตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเนาะ ก, ก็คำถามที่บอกว่าการเต้น การเช็คก <K inne Mystery> <Norwegian> ิ like shoe, ้งการปฏิบัตินี้เนี่ยเป็นการเสริมกำลังอริยบทสี่หรือเปล่าอันนั้นคือเป็นคำถามที่ผิดนะอริยบทสี่เป็นโปรแกรมเป็นกิริยาที่เราฝึกยืนเดินนั่งนอนไอ้ตัวนั้น่ะก็เป็นตัวเสริมกำลังจิตอย่างหนึ่งเสริมโดยยังไงคืออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมีกำลังได้อย่างไรเพราะกิเลสมันไม่ยอมอยู่เฉยๆไงถ้าเรายอมฝืนมันปุ๊บ ใช่ไหมเรายอมฝืนกิเลส บ, บ่อยๆเนี่ยเราก็มีกําลังอันนั้นก็คือเสริมให้จิตมีกําลังมากขึ้นส่วนการเต้นการอะไรไม่จะไปเสริมอริยสัจไม่ได้ไปเสริมอริยบทสเสริมให้มหาสติปัฐานเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะเสริมมหาสติให้เราแข็งแรงขึ้นทําให้อินทรีย์พละอินทรีย์พล ะ, ะคือมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา ของจิตเนี่ยกำลังมันมากขึ้นคืออินรียห้าพละห้าถ้าเราว่ามีกำลังตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเราไปติดโปรแกรมอยู่ในจิตเนี่ยเราข้ามพ้นต่อไปไม่ได้นะอันนี้ก็เข้าใจบางทีเราเร า, เราใช้ภาษาถ้าภาษาคาดเคลื่อนเราจะเข้าใจผิดแล้วก็เราก็จะไปปฏิบัติผิดภาษามันยากมากที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่เราสื่อได้ด้วยด้วยแค่ภาษา เพราะคูก็พยายามระวังใช้ภาษาที่พูดสั้นๆให้มันเข้าใจง่ายๆแต่เข้าใจแล้วต้องปฏิบัติให้มันเข้าจิตเราต้องปฏิบัติเราได้ยินปุ๊บอ๋เราศรัทธาบอกูเราเชื่อมันก็เป็นแค่ความเห็นเราต้องเอาความเห็นนั้นน่ะไปพัฒนาให้กลายเป็นความจริงของเราเนาะ การที่คนภาวนาพุโทโธหรือสวดมนต์ไปด้วยขณะรู้ตัวทั่วพร้อมในกายยืนเดินนั่งนอนนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติหรือไปบังคับสภาวะที่แท้จริงหรือเปล่าคะทีนี้อยู่ที่ว่าเจตนาในเวลานั้นเราจะทำอะไรนะ ถ้าเราฝึกสัมมาถากรรมาฐานเนี่ยเราจะมีคำบริกรรมเหล่านี้เป็นการตัวเหมือนเรามีที่ยึดนะทำให้จิตไม่วอกแวกมันไม่ได้ใช่เรื่องผิดแต่ที่เราดึนเดินนั่งนอนที่เราทำอยู่มันไม่ใช่ฝึกสัมมาถากรรมาฐานนะเรากำลังเจริญมัคคิจนะมันถึงขั้นที่เรากำลังเจริญพอพูดคาว่าจเจริญปุ๊บเราไปเข้าใจว่ามีการกระทำเกิดขึ้นเห็นไหมภาษานี่เนี่ย เรากำลังจะจะเจริญมรรคจิตคือว่าแต่มรรคจิตนี่จเจริญโดยไม่ต้องทำอะไรถ้ายังไปท่องบนอะไรอยู่เนี่ยมันยังมีการกระทำอยู่ยังมีที่เกาะ อ, อยู่นะวิปัสสนาจะไม่เกิดขึ้นเหมือนพระคุณเจ้าตอนนี้ยังอยู่นะท่านเดินทางมาท่านฝึกพุโทโธก็เป็นสายวัดป่าเราเนี่แหละเนาะก็ท่านฟังยูทูปพระครูปุ๊บเลยท่านลองไปทาดู พอวันหนึ่งเขาบอกมันแรงมากเลยมันเหมือนจะดิ่งลงไปในเหวเลยท่านกลัวมากท่านก็มาจับพุทโธ ท, ท่านบอกได้ผลอาการนั้นมันหายไปเลย <c oughs> พระครูบอกพระอาจารย์ถูกตีหัวแล้วใช่ไหมพุทโธเป็นการเตือนสดิเหมือนบางศาสนานะเวลาเขากลัวปุ๊บเขาเรียกหาพระเจ้าเขา God h e ว p me ม <c oughs> ี <c oughs> ที่เขาเรียกหากอดเขาเนี่ยที่เหมือนเราเรียกหาพูทธเจ้าน่ะเรียกหาพุทโธเหมือนเด็กมันกำลังกลัวมันวิ่งไปกอดแม่มันมีมนุษย์ต่างดาวเดินมานี่มันเห็นก็วิ่งเปกลัวปุ๊บมันก็อุ่นใจอันตะตัวสติ แต่เราพลาดโอกาสแล้วจิตมันจะอิสระเข้าไปเนั่นเราดึงมันออกมาอยู่กับพุโทโธเรื่องนี้พระครูก็เคยบอกว่าแต่ถ้าวันนั้นเราไม่ยึดพุโทโธบอกพระอาจารย์ก็ไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่มีวันนี้แต่ถ้าวันนี้พระอาจารย์ไม่วางพุโทโธพระอาจารย์ก็ไม่มีวันหน้าก็อยู่กับพุโทโธตลอดชีวิตนั่นลหละเราไปติดที่สติมันทำให้เราลืมมาลงกลัวนั้นชั่วข่าว ทีนี้าศาสนาอื่นเขก็ใช้อุบายอย่างนี้พอตกใจปุ๊บขาดสติเขาก็วิ่งหาพระเจ้าเขาเขาก็ลืมมารม์นั้นเขาก็อุ่นใจว่าพระเจ้าช่วยเขาเขาก็ลืมมาลมก์กลัวตรงนั้นเขาก็คิดว่าโอ้ยพระเจ้าช่วยได้จริงๆมันเป็นอุปท า, านมันเป็นอุปท า, านอันนั้นสมมติว่าเราแก้ก็เหมือนยาพารานั่นแหละปวดหัวกินยาพาราปุ๊บ ยุคนี้ไม่กินเราก็ไม่ได้เพราะเราต้องไปทํางานมันปวดมากเลยไปไม่ได้แล้วก็ต้องกินยาพารามันก็หายชั่วคราวฤทธิ์ยามันหมดถ้าเราไม่เลิกคิดมันก็ปวดอีกมันก็ดึงกันไปดึงกันมาอันนั้นเอาเป็นว่าใช้ชั่วคราวสติเป็นเรื่องที่ใช้ชั่วคราวแต่สุดท้ายเราต้องเข้าถึงปัญญาให้ได้ถ้าจิตมีปัญญาแล้วมันจะแก้ที่ต้นเหตุของมันมันจะเอาเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบออกมา ไม่ต้องไปกดมันไว้มันจะเอาไวรัสที่ทำให้เราปวดหัวนั้นออกมาพกเพราะครูเห็นจากตัวเองนะสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกนะเงินเต็มบ้านก็ไม่สุขได้กำไรชีวิตด้วยเป็นไมเกรนเพราะมันเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่โรคความเครียดลงกระเพาะทรมานมากแต่แต่ยังอวดเก่งกินยาไม่ให้มันรู้สึกปวดแล้วก็คิดต่อ มันกำลังจะเป็นโรคหัวใจละแก๊สมันดันมันเอาเป็นว่ารวนหมดแล้วพอมันระเบิดปุ๊บยี่สิบกปีอยู่ที่นี่ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยเพราะมันแก้ที่ต้นเหตุไอเชื้อที่ทำให้เราชอบคิดมันไม่มีแล้วที่เราคิดนี่เพราะเรามีอนาคตเราจึงคิดวางแผนเพราะเราอยากแต่ไอความอยากมันไม่มีแล้วเนี่ยมันทำไมต้องคิดละ่ะ เมื่อมันไม่คิดมันไม่ต้องสร้างมโนกรรมมันไม่ต้องใช้สมองมันก็ไม่ต้องปวดหัวไงอันนี้คือตัวปัญญานะเมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันไม่ง่ที่จะไปคิดให้ตัวเองปวดหัวปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าต้นเหตุที่คุณปวดหัวนั่นเพราะคุณสร้างมโนกรรมที่คุณสร้างมโนกรรมคุณคิดเยอะๆนี่ยเพราะคุณมีความอยาก ที่คุณมีความอยากนั่นเพราะคุณมีกิเลสคุณมีสัญญาบันทึกไว้ว่ารวยแล้วถึงจะดีชนะถึงจะดีเห็นไหมลำดับมันอยู่ตรงนั้นเมื่อมันบันทึกมันระเบิดกล่องบันทึกสัญญาไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีอนาคตมันไม่มีความอยากแล้วแล้วทำไมมันต้องคิดบางคนไม่เข้าใจหรอกไม่เชื่อคนเราไม่คิดมันจะทำงานได้อย่างไรถามว่าตารวจจับไหมกินข้าวต้องคิดหรือเปล่าว่าจะเคี้ยวยังไงจะกินยังไง ขับรถต้องคิดไหมยิ่งขับไปด้วยคิดไปด้วยเดี๋ยวชนกันตายทำงานทำไมต้องคิดไม่ต้องคิดขี่จักรยานต้องคิดไหมว่าจะถีบยังไงยิ่งคิดไปด้วยเนี่ยถีบถูกถีบผิดเดี๋ยวลงข้างทางกัน่ะก็ถีบไปเลยไงทำตามความเคยชินไงทำตามความชำนาญแต่ที่เราคิดด้วยเพราะว่าเรามีความอยากขี่ไปด้วยเออ เดี๋ยวไปถึงชันจะทำอะไรชันจะด่ามันเลยนะบังเกินโกรธมันอารมณ์โกรธนี่บางทีเผลอนิดเดียวนี่ชนต้นไม้เลยนะเพราะมันขาดสติทำงานไม่ต้องคิดแต่กิเลสเราบอกไม่ได้เธอต้องคิดเพราะเวลาเราคิดเป็นยังไงรู้ไหมก็คิดสร้างอารมณ์ก็ครอบงาทาให้เราไม่เห็นกิเลสไงมันก็มันก็สั่งการเราทำตามมันเลยทำตามอารมณ์ตลอดเห็นไหมเพราะเราไม่สักแต่ว่ารู้ เราไปรู้สึกกับมันอารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นแล้วก็เหวี่ยงทิ้งนะคำถามก็บอกว่าถ้าเขาฝึกสมถกรรมฐ า, านอยู่เขาจะกำหนดคำบริกรรมอะไรด้วยถูกต้องแล้วในฐานะที่กำลังฝึกเหมือนเราชกกระสอบนั่นแะตื่นตีห้าเราขยันมากเราชกชกๆกกกีก่นาทีจบมีวี่ไนามาแล้วก็แข็งแรงระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราไม่เคยขึ้นเวทีมวยเลยเราจะไม่เกิดทักษะเพราะกระสอบมันชกเราคืนไม่ได้เห็นไหมพอขึ้นเวทีเลยเนี่ยมันจะชกเรามันบอกว่าระวังนะกำลังจะชกขวาแล้วนะมันพูดจาๆให้เราเตรียมตัวมันบอกหรือเปล่าไม่มันชกมาเลยตอนนั้นต้องทำยังไงต้องใช้สมาธิสติปัญญาที่มีอยู่หลบหลีกมันแล้วก็สู้สู้กับอารมณ์นั้นรู้เท่าทันมัน มอแต่ไปฝึกอยู่ตรงนั้นล่ะมันจะไปไหนหลวงพ่อชาพูดเองนะมือแต่ถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่มันไม่ไปไหนฝึกสติมันก็อยู่สตินั่นไงมันก็อยู่กับสติไงมันมันเข้าไม่ถึงกล่องปัญญานะก็ เราต้องรู้ว่าเวลานี้เราทำอะไรนะเวลานี้ที่เรายืนเดินนั่งนอนที่เรายืนนั่งนอนเราไม่ใช่ช่วงฝึกสมถะกรรมฐานไม่ใช่ช่วงฝึกไม่ต้องทำอะไรเลยช่วงเดินทางเดินทางทำไมยืนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆแล้วก็งงอีกใช่ไมไม่มีการกระทำอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละมันสวนกระแสกิเลสเราชีวิตเราต้องมีการกระทาเกิดขึ้นก็กระทำไงกระทาโดยการยืนอยู่เฉยๆ กระทำโดยหยุดคิดหยุดพูดหยุดหยุดหยุดหยดุสร้างกรรมทั้งปวงนั่นคือการกระทําอย่างยิ่งเป็นการฝืนกิเลสอย่างยิ่งเพราะกิเลสเราไม่ชอบเดนอยู่เฉยๆเดินอยู่เฉยๆเห็นไหมกิเลสมันก็จะแสดงตัวนะวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วเราเห็นความจริงแล้วว่าเรามีกิเลสอะไรซ่อนอยู่ภายในเมื่อเราเห็นมันบ่อยๆมันก็หลอกเราไม่ได้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสกิเลสยังอยู่แต่จิตมันห่างไกลแล้วกิเลสนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะเรารู้เท่าทันมันนะเรากินข้าวเนี่ยกิเลสของคนไทยเรานะพอหลังกินขนมปังก็กิเลสเขาถ้ากินตามกิเลสเนี่ยไม่มีเรื่องแต่ถ้ากินตามตัณหาเนี่ยมีมีเรื่อง มันมีเจตนากินจากความอยากถ้าอร่อยกินเยอะๆถ้าไม่อร่อยคูก็ไม่กินถ้ากินตามกิเลสตามความเคยชินของเราเนี่ยผู้เจ้าก็บอกว่าดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหาทุกสมุทัยนี้โลดมรคตัวสมุทัทยคือตัวตัณหาแต่พระองค์ก็รู้ว่ากิเลสคือที่มาของทุกข์ไมไม่ดับที่กิเลสกิเลสดับไม่ได้เพียงแต่ว่ารู้เท่าทันมัน มันก็พัฒนาสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดอันนั้นคือดับทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทําได้มันก็ดับทุกข์ได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะเราก็ไม่ทุกข์ในเวลานั้นแต่ยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์นะเมื่อมันเข้าถึงปัญญาแล้วมันรู้ว่าต้นเหตุจริงๆก็ไม่ใช่กิเลสด้วยนะนะ เป็นตัวอัตตาไอก่องบันทึกโปรแกรมมันตามจิตนี้มาหลายภพหลายชาติในนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องกระแสกรรมด้วยแล้วเป็นกิเลสตัณหาอุปทานที่ใหม่ๆนีสะสมเข้าไปอีกสร้างอัตตาในชาติปัจจุบันจิตมันก็จะระเบิดตัวนั้นทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตากิเลสใครบางอาจจะไปฆ่ามันฆ่ามัน มันต้องอยู่คู่โลกคู่จั ก, กรวาลถ้ามันไม่มีกิเลสระบบเวียนว่ายตายเกิดบาป บ, บุญคุณโทษกฎแห่งกรรมล่มสลายถ้าไม่มีกิเลสเนี่ยพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้กิเลสเป็นกลางๆมันทำหน้าที่มันอย่างซื่อสัตย์ถ้าเราหลงมันเมื่อไหร่มันก็เป็นโทษตอนนี้เราถูกวาดภาพว่ากิเลสหน้ารังเกียจขยะนข ย, ขย้ง ข, ขนาดขนาดขยังสรุปว่า เออชอบมากแต่ฉันยังมีกิเลสอยู่เห็นไหมพูดหน้าท่าหน้าชื่นตาบานเลยกิเลสมันพูดนี่ยไม่ต่างอะไรไปบอกว่าฉันเป็นเอชนะะเอมันเกิดขึ้นจากมนุษย์เรามีกิเลสนะกิเลสทางตรงทางอ้อมก็เป็นแบบนี้นะ่ะเพียงแต่ว่าเออเรารู้มันมีกิเลสก็รู้ให้รู้เท่าทาันมันนะนะทํำตามกิเลสเรากินข้าวตามกิเลสเราแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหาไม่เนื่องด้วยความอยากก็กินเพราะกิน ใช่มมันก็ไม่เป็นเรื่องแต่ถ้ากินพอปัญหาปุ๊บมันมีเจตนากรรมชี้เจตนาถ้าเจตนาปุ๊บกลายเป็นกรรมทันทีมันจะบันทึกสัญญาถ้าอร่อยปุ๊บมันก็บอกชอบชอบถ้าไม่อร่อยกูทุกทุกเว่เบื่อเบื่อถูกบังคับให้กินใช่มมันก็บันทึกสัญญาใหม่มันสะสมมากๆวันไหนมันระเบิดเลยนะใช่ไแต่ถ้ามันทาตามกิเลส ทำตามความเคยชินแต่ไม่เนื่องด้วยเจตนาเนี่ยไม่เป็นไรไม่เนื่องด้วยตนาก็ทําไปก็มีอีกคำถามหนึ่งนะใกล้จบละใกล้จบละในกรรมฐานมีคําถามว่าขันห้าทํางานอย่างไรฟังนะทํางานอย่างไรนี่หนึ่งคำถามละ แล้วเราได้ทบทวนเรื่องที่เรายึดมั่นอยู่ที่เกิดจากสัญญาในอดีตเมื่อปล่อยตรงนั้นมาจิตก็เคลื่อนมาจับกับสัญญาในปัจจุบันสร้างอุปทานขึ้นใหม่ถ้าเราดับขันตั้งแต่เริ่มต้นหมายถึงใช้ไตลักษณ์เห็นว่า จิตกำลังดูสัญญาปรุงด้วยสังขารแล้วเราดับลงได้ตรงนี้อุปทานใหม่ก็จะดับไปด้วยแบบนี้เห็นถูกไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่สองแล้วจิตจะดำเนินยังไงคะอันนี้เป็นคำถามที่สามเขาจะค่อยๆ ขายความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเองหรือเปล่าเป็นคำถามที่สี่ถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ไปเรื่อยๆขันกับกิเลสต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ห้าอะไรก็จะป่านนั้น <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าสักแต่วรู้สักแตว่าเห็นอันนี้ไม่สักแตว่านะ นะวิจัยจนถึงขันห้าวิจัยจนถึงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวิตกจริตนะพวกครูเคยบอกเลยว่าเราหลงป่าสิ่งที่เราต้องทําคือหาทางเดินออกจากป่าให้มันเร็วที่สุดนะไม่งั้นเสือมันมากินเรานะไฟไม่ป่าเราก็ตายในป่าวัฏฏะสมสารนี่ไม่รู้กี่รอบนะมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์วิเศษเนี่ยหลงป่าหาทางเดินออกกป่าไม่ใช่ไปเดินครึ่งทางเฮ้ยดอกไม้นี่ ไม่เคยเห็นเลยเว้ยสวยสวยกลัวจะพลาดโอกาสไปวิจัยมันวิจัยมันวิจัยยังไม่เสร็จไฟไม่ป่าก็ตายวิศเสือหมามันก็กินเราเดินไปเดามาบางคนไม่สนใจดอกไม้เฮ้ยน้ำตกนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเลยสวยสวยเยป็เมมนเล่นสักหน่อยหนึ่งนะเล่นก็ไม่พอนะไปวิจัยอีกไอ้น้ําที่นี่มันใสใสมันมาจากไหนก็ไปตามมันมาจากไหนอีก อยากรู้ไปทั่วเลยใช่ไหมนี่คือความอยากรู้ของเราเราถูกฝึกให้เป็นนักเรียนรู้ไงเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องทุกอย่างต้องมีคําตอบนะนี่แหละคือความอยากไงใช่ไหมยังไม่รีบๆเดินด อ, อกนอกป่าให้มันถึงออกออกป่าเร็วนะ<อ><อ>วก็พร้ครูเน้นอยู่เรื่อยขณะที่เดินทางออกจากป่านเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็น ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินเสียเวลาเดินทางรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเมื่อกี้เขายังใช้เลยวะ่ะเขาเก่งมากนะเขาอุตสาห์ใชา้หมายถึงใช้ไตลักษ์เห็นว่าว่าจิตกำลังดูสัญญาปรุงแต่งอยู่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรจิตก็ดูก็ดูไงไปเกี่ยวอะไรไปใช้ไตลักษ์อนิจจังถ้าคุณใช้ไตลักษ์เป็นนะ คุณไม่ต้องพิจารณาเลยคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งนะอันนี้มีแต่ความรู้แล้วเอาความรู้ปรติดประต่อกันแล้วก็สับสนวุ่นวายไปหมดนะถ้าคุณรู้ใจลักจริงๆเน่ยคุณไม่พิจารณาอะไรทั้งนั้นพิจารณาเรื่องนี้เสร็จมันก็เป็นอนัตตาพิจารณาเรื่องนี้เสร็จก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ทั้งนั้นคุณจะไปรู้อะไรเหรอ อันนี้มีต่รู้เรื่องวิชาการลอกเอามาปฏะจิตประต่อแล้วจนสับสนวุ่นวายไปหมดนะรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วยังอยากจะรู้อะไรนะเห็นความสงสัยของตัวเองก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องสงสัยตามกิเลสก็สักแต่ว่าเห็นมันสงสัยอยู่แต่ถ้าบางคนมาบอกพ่อกูนะไม่ได้ ก็มันสงสัยถ้ามันไม่มีคําตอบมันนอนไม่หลับมันทุกข์มากไงถ้ามันได้คําตอบแล้วเนี่ยโอเคมันสบายใจไงอโอเคนะได้คําตอบนอนหลับสนิทเลยนะเพราะว่าเราให้คําตอบที่พอใจแล้วเนี่ยไอตัวขี้สงสัยเหมือนเราอาหารให้มันกินมันก็พองตัววันหลังถามเยอะกว่าเก่าอีกแล้วต้องแก้ที่ไม่สงสัยไม่ใช่แก้ที่หายสงสัย ไอ้ที่มันสงสัยก็มันมีกิเลสเนี่ยแหละมันเป็นตัวตันหาเราไปสนองมันตลอดแต่มันเก่งมากมันทําให้เห็นเลยว่านี่ไงนี่ไงไม่ไม่ไม่ใช่เสแสร้งนะมันสงสัยจนมันนอนไม่หลับเลยถ้ามันไม่มีตอบจบไม่ได้มันนอนไม่หลับแน่ๆเลยเห็นไหมทุกข์มากเลยนอนไม่หลับเพราะกูยังไม่เห็นใจเพราะกูบอกเพราะกูเห็นใจทุกคนเพราะพ่อกูเข้าไปใจใจทุกคนได้นะแต่พ่อกูไม่ตามใจมีแต่กิเลสทั้งนั้น ไม่ต้องสงสัยตามกิเลสเดินไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็ออกจากป่าได้เห็นไหมทางคนทุกง่ายไหมง่ายที่สุดแต่ยากมหานเลยเพราะกิเลสมันไม่ยอมที่เราทุกข์เพราะจิตเราไม่ว่างกังวลไปหมดเลยนะที่มันไม่ว่างเพราะมันติดไม่เอกเท่านั้นเองเวียงไม่เอกทิ้งเดี๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้ มันยากตรงไหนวางแล้วมันก็ว่างไงไม่ได้พวกครูมันวางยากยากถามว่าตำรวจจับไหมต้องขอวีซ่าหรือเปล่าฮะต้องเสียเงินกี่สตังค์มันยากเพราะมันง่ายไงไม่มีอะไรง่ายขนาดนี้ในโลกในจักรวาล น, นี้เนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าง่ายที่สุด นอกจากกาอย่าไปหาเรื่องท่องจำทุกคำพูดนะแล้วก็มาอวดรู้กันอันนั้นเรียนเรื่องนี้ก็ลืมเรื่องนั้นเรื่องน้นลืมเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นง่ายๆทําทให้มันยากยากเลยผู้เจ้าทั้งบมดว่าอย่าพึ่งเชื่อตําลาอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าศรัทธาแบบหลงงมงายฟังหูไว้หูปฏิบัติเนาะไปสังเคราะห์อไอ้ความเห็นนั้นกลายเป็นความจริงเมื่อเราเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ย เราจะถึงเข้าใจว่าความจริงตามธรรมชาติมันคืออะไรนะก็ทั้งหมดนี้เป็นเก็บได้เก็บน้อยก็ทุกเสาวนั่นแหละถ้าใครมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะคือไม่รู้กี่ปีแล้วพป ก, กูก็พูดสมมติว่าเสาวหนึ่งพูดทีหนึ่งเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งเดือนหนึ่งไแก้วทิพย์ก็บอกให้เขียนธรรมะอะไรอนยะู่เนี่ย ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดมาเขียนแล้วนะแต่มันก็รอดตัวมาตลอดถึงทุกวันนี้นะก็ก็ช่วยตั้งโจทย์มาหน่อยหนึ่งนะมาแลกเปลี่ยนกันเนาะพูดอะไรก็ได้ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่ธรรมะขี่หมาขี่หมูขี่ไก่ก็เป็นธรรมะนั่นแหละนะเอาเป็นว่าเราแสดงออกว่าเราต้องการรู้อะไรเราสงสัยอะไรหรือว่าเรามีประสบการณ์อะไรก็มาแบ่งปันนะโอเคนะสุดท้ายนี้